Book 2ห <58. 58. S 1> <way> ้าสิอวัยวะ bagian bagian tubuh ผมวาดรูปผู้ชาย menggambar seorang pria เริ่มจากศีสะก่อนขั้นแรกค a ผู้ชายสวมหมวกมผู้ชายสวมหมวกผู้ชายสมหมวกสมหม้มหมผสมหมวก้สมผ้มหมผามหมวกผู้ชหมวก้วมองไย ม, ม, ม, ม่เห็นหูด้วย คปิง nya juga tidak kelihatan มองไม่เห็นหลังด้วยปุงกุง nya juga tidak kelihatan ผมกำลังวาดตาและปากังวาตาและปากฉันกาดตาและปากฉนนี้ากนำลังเต้นรำและหกัวาราละังตนาและัวาะ ชา i ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว itu b e r d a n s า dan t e r ก t a ม a ผู้าชายคนนมี้มาีจมูกยาวมีูกยาว itu ีย itu มีจ i u itu itu ยาาจกามกาวชมีจมูาามียาามีมกยาวมกยาวชาีาย t า เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วยเดียเมงนาการเชลที่เลห์เฮียมันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น ini mu ้มุ้งซิมดิ้งอินและช่วงจั่งญดิ น, น, ดนแขนแข็งแรงทัางา้งมันญะกู๊ด ขาก็แข็งแรงด้วยขากิ้น j u g ุ ku ยวัดผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะาดดาจากหิมะ p r i นั้นทำมาจากหิมะชายนั้นทาไม่สวัมกะายเ้กงแมะเสย้อคลุาิม dia t i ั a k m e n g e n ก k a ม c e l a นั dan m a n t ากันาะันมัน แต่เขาก็ไม่หนาวสันกก่นแต่ายคนนเขาคือตุกตาหิมะเขาคือตุกตาหิมะเขาคืุ๊กเขาคือตุ๊กตาหิมะาคืุ